เหตอบรมในวันที่21ตุลาคมพศ2 5น9ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานัปนวโรแต่เมื่อพระธรรมเทศนาในตอนต้นแห่งกันนี้เสียไปประมาณสหรือหนาทีเป็นเระเหตุไรไม่ทราบสา้นันทึกเขียงไม่ติด โดยนำหลักธรรมของพุทธเจ้าเข้ามาเป็นหลักหลักใหญ่ก็คือนิสัยของผู้ปฏิบัติเคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ต้องแสดงไปอย่างนั้นเป็นส่วนมากบางทีเคยได้แสดงไว้แล้วในหลายเรื่องบางท่านก็เข้าใจว่าเด็กดเดียวเกินไปเดกหนักมากบ้าง ยี่ลึกซึ่งไปมากมากไม่สามารถอาเทื่อที่จะปฏิบัติตามได้ะนั้นก็มีแต่เราควรจะคำนึงถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีทั้งส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดพระพุทธเจ้าสอนได้แม้กระทั่งเด็กแต่ว่าอะไรแบบพุทธบริษัททุกทั่วไปในวงพุทธบริษัทก็มีหลายชั้นอีก ท่านยาบซึ่งไม่เคยได้รู้บาคลู้บุญรู้คุณรู้โทษ ร, รู้ธรรมรู้โลกไวัยเป็นยังไงก็มีจำนวนไม่ น, อน้อยแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถสอนให้คนประเภทนั้นๆให้เข้าใจได้ผู้ที่มีความละเอียดกว่านั้นก็สอนได้ละเอียดจนกระทั่งจะถึงวิมุตตานิพพานอยู่แล้วในขณะนั้นก็ยิ่งจะสอนได้ไง่ายอีวมแล้วพระพุทธเจ้า สอนไกระทั่งตั้งแต่เด็กขึ้นมาหรือตั้งแต่ขั้นยาบที่สุดจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดได้มีผู้ฟังธรรมะหรือผู้อ่านหนังสือก็ควรจะคำนึงอ ย, าาย่างนั้นแล้วกันดิสเอาหลักธรรมะส่วนไหนที่ควรจะเหมาะสมกับกาลังความสามารถนเิเทศและเพศของเราไปปฏิบัติเราจะไม่ขาดประโยชน์ อย่างน้อยเขาจะไม่เกิดความท้อใจบังที่แสดงในหนังสือนั้นรูน้สึกเป็นผู้ที่อิหนาหรอาจยอยู่บ้างแต่ก็ควรจะคำนึงขึ้นมาอีกว่าผู้ที่นำออกมาแสดงนั้นจะเป็นได้รับความลำบากแค่ไหนก่อนจะได้นำธรรมะออกมาแสดงถึงกับให้เป็นเล่มในห น, น, นังสือแล้วนีมีความลำบากแค่ไหนก็ควรจะคำนึง เราเป็นเพียงคนอ่านคนฟังทำไมจะลำบากทำไมจะปิดจิตใจไม่สะดวกทำไมจะเกิดความท้อจิตท้อใจเลยเห็นว่าวาสนาไม่สามารถเลยวาสนาน้อยด้วยกำลังไม่มีพอที่จะสามารถปฏิบัติตามธรรมะที่ทาแสดงให้ฟังด้วยดังนี้เป็นต้นเราไม่ควรคิดอย่างนั้น อันดับหนึ่งก็ควรคิดถึงเรื่องของพระพุธทธเจ้าที่จะนำธรรมะมาสะแสดงให้รับความลําบากแค่ไหนนี่ในประวัติของพระองค์ท่านฟังข่าวไหนก็รู้สึกว่าเกิดความสลดสังเวชตามพระองค์ท่าน ท, าทันทีโดยที่มันมีใครสามารถจะทําได้เหมือนดังพระองค์มาประวัติของสาวกองที่ท่านได้รับความลําบาก ไล่เลีย ก, กันกับพระพุทธเจ้าก็มีอีกจํานวนไม่น้อยผู้ที่สะดวกสมาย ก, ก็มีมกระ ท, ทั่งขึ้นมาสมัยครูบาอาจารย์ท่านก็จะต้องเดินตามน่องรอยของพระพุทธเจ้านะสาวกและเดินตามหลักมิสัยของตนที่เคยบําเพ็ญมามีความหยาบละเอียดแค่ไหนการตึกฝนปรมาณชนเองจะต้องเป็นไปตามหลักมิสัยของตนไม่ใช่ว่าถ้าสาวกองค์นั่น ดำเนินสะดวกเราจะเอาแบบสาวบกนั้นมาใช้โดยที่สายของตนไม่กลมกลืนกันมันก็ไม่ได้ผลเราต้องดูหลักนิสัยของเราแม้แต่คนเป็นโรคหมอเขายังต้องไปสังเกตและวางยาให้ถูกต้องถึงจะเป็นโรคกี่ประเภทก็ตามหมอก็ยังสามารถเดะเนื่องจากหมอสังเกต ด, ดูโรคมีความต่างกันอย่างไรบ้างซึ่งควรจะวางยาให้ต่างกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สำหรับคนไข้แต่ละหลายลหลายเราผู้ปฏิบัติธรรมะก็ควรจะพิจารณาอย่างนั้นเพื่้ได้รับประโยชน์ในการอ่านการฟังผู้ที่จะนำธรรมะมาสอนเราท่านก็มีนิสัยอย่างหนึ่งแต่สรุปแนวก็ดังที่พูดผ่านประดินนี้ ท่านสอนได้กระทั่งถึงเด็กเราพูดจะรับฟังท่านทำไมเราจะฟังไม่ได้ความปฏิบัตลิลาบากลำ บ, บนมาแค่ไหนกันยังท่านยังสละลเวลาเวลาความลำบากลำบนไม่เอามาเป็นอุปสรรคเกี่ยวข้องแต่การสั่งสอน หลักนิสัยของการดำเนินมานี่เป็นสิ่งสาคัญในนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกจะต้องดําเนินตามหลักนิสัยนี้นิสัยควรจะฝึกฝนธรรมานอย่างเต็มที่คือว่าหนักบ้างถ้าก็ต้องยอมรับตามหลักนิสัยของท่านจะทำอย่างรู้ความคําหรือทํำเล็กน้อยสําเร็จผลขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหนักมือลงไป ไดุ้จะได้ผลประโยชน์ขึ้นมาก็เอาเหตุนั้นแหละเข้าไปทือว่าการย์กับมันกันนี่พูดตามถ่ายย้อนเข้ามาถึงเรื่องของตัวเองแล้วก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นถ้าปฏิบัติอยู่ที่ ไ, ไหนๆก็าตามจะอยู่กับหมู่เพื่อนมากน้อยหรืออยู่คนเดียวก็ตามอปฏิบัติแบบเอาความสะดวกสบายเข้าว่าแล้วไม่มีอะไรปรากฏผลขึ้นมาเลยแม้แต่ผิวหนังก็ไม่ถลอกพอให้ปรากฏว่า นี่ร่องรอยหองการปฏิบัติมีผลอย่างนี้นเมื่อเป็นชะนั้นเราจะเอาแบบนั้นมาใช้เพื่อรับผลประโยชน์เราจะเอาประโยชน์จากอะไรทำลงไปแล้วมันไม่เห็นผลทำแบบขี้หวานัันก็ต้องหนักมือลงไปเพียงไม่ได้ผลยังไม่แล้วยังเป็นการส่งเสริมสิ่งที่มันมีกาลังและจะคอยลุกลามอยู่แล้วภายในใจให้กำเริบขึ้นใหม่ นั่นมันยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตเราเป็นที่นั่นอย่างไรจึงจะพอกับการแก้ไขสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเราจะผลขวายหาอุบายวิธีหรือกําลังความสามารถอย่างไรบ้างเราจะแก้ไขสิ่งที่นอนตึงอยู่ภาในใจของเราได้นั่นแลที่นี้กลังมีแค่ไหนก็ต้องพุ่มเทกันลงไปล้วอานั่งวันนี้ภาวนาวันนี้ไม่ได้เห็นผลประโยชน์ เข้าที่ควรเอาหนักมือลงไปจนเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วนี่แหละเป็นสักขีพยานในปฏิปทาที่อย่นมืมาแล้วคือปฏิปทาอย่างนี้แลหละถูกกับหลังนิสัยแล้วแล้วปรากฏเห็นผลขึ้นมาแล้วจะปล่อยมือได้ยังไงเมื่อเหยียบลงลอยลงเห็นมาเป็นที่ถูกต้องแล้วจะฝืนยกเท้าขึ้นมาอย่างไรต้องเหยียบไปเรื่อยใช่เหยียบตรงไหนมันถูกความกลุ่นน้ำเราต้อง ยกข้าขึ้นมา ท, าทันทีจะฝืนเหยียดลงไปไม่ได้ทําลงไปไมันไม่เป็นประโยชน์นอกจากนั้นมันจะเสริมสิ่งที่มันมีกําลังอยู่ภายในใจอันเป็นสิ่งที่ช่วยท่าลำกฝังอยู่นั้นให้กําเริบขึ้นมาเราก็ไม่ควรที่จะเสริ ม, มเหมือนกับว่าผู้ที่เหยียบย่างท้าลงไปถูกฝาถูกหนังประการประการที่สองความคิดประเภทใดที่มันเป็นฝบเป็นน้ําสสำหรับที่แรงหัวใจ พยายามตัดทอนความคิดประเภทนะั้นอย่าย่ำรอยลงไปอีกถ้าย่ำลงไปอีกก็เสริมไม่ใหม่อีกหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเมื่อเขาเป็นสองไปเรื่อยคสองบวกสองเป็นสี่มากขึ้นไปโดยลำดับนนะจนนับไม่ถว่วนะเมือ่อใดเป็นพยายานจากปฏิบัติทางประเภทใดนะนั่นแหละเป็นตองร้อย หรือเป็นสักขีพยานอันใดแล้วเล่งลงไปมีเคยดาเนันมาอย่างนั้นอุบายวยธีติดผลตำนานตรงเองนี่มันยิ่งมีความคาระหดหรือไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนัยยะที่จะเป็นอุบายข้าสอนตอัวเด็กคือเราต้องหูยิ้มใส่ทางเรา ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับเราอุบายวิธีที่เราจะพยายามแก้ไขตัวของเรามันก็ต้องเกิดขึ้นตามๆกันแล้วเราจะประชานลึกได้ทุกบททุกบาทยังไงการนํามาสอนหมู่สอนเพื่อนของมอนกันนํามาเพียงพอประมาณเท่านั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าหรือถ้าผู้มาศึกษาจะจะทราบว่าครูอาจารย์ที่สอนเราถ้ามีความรู้ความแค่ไหนเราก็ลองพูดความรู้ของเราขึ้นมาท่านฟังดูสุดนั่นแหละเราจะรู้อจะมีสักกี่องค์ยี่สิบสามที่องค์ ความรู้ความผงความปฏิบัติแม้จะปฏิบัติในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ตา่างแต่ลิหลักนิใสท่องผู้ปฏิบัติมีแง่หลักเ่าต่างกันบางองค์บางองค์หนักบางองค์งงหนักให้ท่านบางองค์หนักให้ท่านทีนี้ความรู้ความผงที่ปรากฏขึ้นมาก็ต้องมีแง่ต่างกันในส่วนตื้ยยอดนั่นแหละที่นี้นำมาเล่าให้ท่านฟังตอนที่ท่านอธิบายให้แต่ละหลายรายฟังสิเราจะได้ทราบว่าท่านมีความรู้มากว่าไฉน ข้อการที่บายให้ลูกศิษย์ฟังแต่ละละลายละลายซึ่งความรู้ความเห็นไม่เหมือนกันันจะที่มาแบบเดียวกันไม่ได้ต้องแยกแยะไปตามความรู้ผูกของผู้มาศึกษามาอย่างนั้นไม่ถูกต้องเหมือนกับคนใข้ไข้ในโรงพยาบาลมีกี่ร้อยเตียงไม่ใช่เป็นโรคประเภทเดียวกันที่นอนด่าด่าที่ในโรงพยาบาลถามคนหนึ่งเป็นหนึ่งถามหนึ่งเป็นหนึ่งยากำลมงรู้กี่ประเภท ไม่ใช่จะนำประเภทเดียวกันไปรักษาคนทั้งลงพยมบาลนะท่านคือว่าอมาวิธีที่นำมาปฏิบัติต่อตัวเองนี่มีมากมายกายกองแต่เราไม่สามารถจะนับได้นอกจากจะมีผู้มาศึกษาแต่ถามว่าความรู้เป็นอย่างนั้นอ่านั้นอนั้นมันถานที่ขรงไหนกับความรู้ที่เราปฏิบัติมาเพราะเอ่ยขึ้นภาพมันก็วิ่งถึงขันทันทีนี่เราเคยผ่านมาแล้ว เราเคยรู้มาแล้วเราถ้าขัดข้องเราเคยขัดข้องมาแล้วอย่างนี้อุบายวิธีเราแก้ไขเราแก้ไขโดยวิธีด้วยวิธีนี้ภาพนำวิธีนั้นออกไปน่ะคุณนั้นพูดขึ้นมาเรื่องนั้นอ้าวอย่างนั้นเราเคยเป็นมาแล้วนําเรื่องนั้นออกเอาแก้กันอ้าวคุนี้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้เราเคยเป็นมาแล้วนําเรื่องนี้ออกแก้กันนั่นมีสักกี่ร้อยคนเราจะคุณนั้นอาจจะได้ทราบว่าความรู้ของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรานั้นมีกว้างแค่แคไหนจะรู้ได้โดย วิธีที่ผุ้ ม, มาศึกษามีจำนวนมากซึ่งความรู้ต่างๆกันการอธิบายจะให้เป็นแบบเดียวกันไม่ได้ต้องแยกต้อง้ยตามชริดนิสัยตามครรูปความเป็นของผู้นั้นเพื่อให้รับประโยชน์เป็นในลายไปนะแต่ถ้าดูการนำพังนั่นระลึกไม่ได้แต่เคยแก้ไขตัวเองมาสักกี่รอยกี่พันระยะก็ตามไม่มีใครจะประโยชน์ตามแต่เมื่อมีสิ่งมาผ่านนั่นแหละ ได้จากผู้มาศึกษาอบรมมาเกี่ยวข้องกับเราด้วยความรู้ความเห็นความเป็นทางผิดทางถูกทางแง่นักเบาความอยากความละเอียดของจิตของธรรมที่เกี่ยวกับจิตนั่นแหละผมจะได้อธิบายให้ฟังเป็นในลายไปมีกี่รายมันก็มีเท่านั้นแหละเนย้อของธรรมะที่จะนําออกมาเราผู้ศึกษาอบรมเราจะ่ลืม หลักนิสัยของเรางั้นแต่ครูอาจารย์จะมาสั่งสอนเรายังต้องมีหลักนิสัยเป็นส่วนใหญ่ถ้าท่านเคปฏิบัติตัวของท่านมาอย่างไรการแสดงออกของท่านแสดงให้เห็นเรื่องของท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นหรือไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเพื่อการปฏิบัติธรรมดามีแต่ลอดตายมาทุกครั้ง ถ้าเอาขนาดนั้นแล้วเออท่อนนะหนังถลอกพอาผิวหนังนะ่ะถลอกไม่ใช่หนังถลอกนะพอผิวหนังถลอกเท่านั้นถลอกก็ไหลายถลอกเข้าไปมันก็เข้าไปถึงหนังหนังถลอกกับเนื้อถลอกเข้าไปเอาไปจนถึงกระดูกเถอะนันก็เข้าทิ้งภายในไนเลยกระดูกเข้าไปมีอะไรแหลกไปตำตามกันหมดอํานาจของความเปลี่ยนมันถูไถ่กันไปถูไถยกันมาอํานาจของสติอํานาจของปัญญา ถูไปถูมามันก็ค่อยถลอกปอกเปลือกมันก็มองเห็นเมื่อมองเห็นหนังมองเห็กระดูกมองเห็นธาตุเห็นขันส่วนหยาบคือธาตุก็เห็นส่วนธาตุสีดินน้าลงไฟก็เห็นธาตุตามหลักความจริงส่วนขันขันอะไรบ้างนั่นก็เห็นธาตุตามหลักความจริงเพราะอํานาจของปัญญามันถูไทยไปมาอยู่ตลอดเวลานั่นว่างเมื่อเราตั้งหลักความเพียรลง อย่างไรมีความหนักเบาแค่ไหนปรากฏผลขึ้นมาอย่างไรบ้างนั่นแหละเราจะถือเป็นหลักจากความเปลี่ยนประเภทนะั้นเป็นนําหนักน้ำหนั ก, ปนนกไปหันนั่งกลัวแต่จะตายอเอเปลี่นอค์กมหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีแบกลัวจะตายกลัวนะ่ะกลัวมากเอาจริงๆกลัวตายยิ่งแต่ก็วิ่งไปหาที่ท้ายนั่นแหละ แตัวตายเวิ่งหาที่ตายกลัวทุกข์นิ่งเขาหาแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนความคิดทั้งหมดที่มันเป็นตัวทุกข์เราก็ทราบด้วยกันแต่มันมันพอใจจะคิดน่ะถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องขัดอกขัดใจมันชอบคิดเอามากมายบริกรรมมันยังคำก็ได้เอาจนน้ำตาไหลร้องไห้มันยังคิดได้ตรงได้บนได้ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์มันยังบนนั่นมันไม่ไม่รู้ทางออกมันกลัวตายแต่มันวิ่งขหาทางตายมันกลัวทุกข์แต่มันวิ่งเขาหาทางทุกข์นันก็ได้แต่ทุกข์คงนี่ ถึงได้ที่คิดกันมามันรู้สึกมันตะกิดับข่างพลังจิตใจทําติดใจให้กับเพื่อนไม่เป็นปกติสุกแล้วนั่นแหละที่ว่าเป็นปิดรีบแก้ไขกันทันทีแล้งับใหม่คิดต่อไปพอปรุงขึ้นมาพับก็รู้แล้วว่านี่เป็นพลิกนึ่งเหมือนก็เอาไฟมาขี้ขี้พับหนึ่งมันก็เจ็บทันทีไปขี้เข้าถึงขั้งที่สองที่สามเขาแง่เนี่ยคุกเวลาเขยิ่งจะเอาไฟขี้เข้าไปขี้เข้าไปมันก็ตายได้เหมือนกันขี้ไม่ถอยความคิด คเล็กคิดน้อยนี้เป็นเรื่องสมุทรไทยสั่งสมทุกข์ขึ้นมาคิดข้งนู้ก็สั่งสมคิดตรงนั้นก็สั่งสมผลแสดงขึ้นมาก็าทุกข์ก็มีกําลังมากเอาลมอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับไปไหนมาไหนร่ว น, นบแ้กต้องจะแบกกองทย้ไทยไอ้บุญพิษะตัวทุกข์มีหาแต่ทุกข์ เราเป็นนักปฏิบัติเราท้องสังเกตจริงได้ที่มันเป็นภัยดับฝืนคิดมันให้มากพยายามแ้ไขายกันลงให้ากนั่นที่ว่าผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ทุกข์น่นอยู่ที่ไหนทุกข์มันเกิดขึ้นจากบ่อของมันน่ะบ่อของมันคือความคิดมันคิดผิดมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นแก้กัะแก้กันลงที่ไม่มีที่อื่นเป็นที่แจฉรู้ทุกข์กับลุกกันทิ้ถอนสมุทัยแทนให้เกิดทุกข์ก็ถอนกันขึ้นที่ที่บ่อมันนี่โดยข้อปฏิบัติคือสติ ปัญญาความเพี่ยนไม่ลุนละนิโรธจะไปหามาจากที่ไหนทุกดับไปแล้วมันกหมดเท่านั้นเองก่อนว่า น, นี้รธนะกิริยาให้ความดับทุกลงไปนั่นก่อนวั น, นี้นิโรธปฏิบัติมาก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นการสอนหมู่สันเพื่อนสอนเล่นๆที่สอนไม่เป็น ส, อ น, สอนแบบให้ถึงจิตถึงใจ ถึงใจตัวเองนั่นแหละคนอื่นจะไม่ถึงก็าตามสอนด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างไก่กองแล้วค่อยว่างมา แ, า, า, งงาแล้วจนจนอยากจนกลางของเรียนพิจารณาแล้วทบทว น, วนทจนพอแต่กำลังตัวเองแล้วพูดออกมา ถ, ถึงว่าสอนด้วยความจริงใ จ, ใจปฏิบัติมากกับปฏิบัติอย่างนั้นส้อนกันเล่นๆสอน ผู้ปฏิบัติจะมาทำเล่นๆจริไม่ไม่พอใจที่จะสอนและไม่พอใจที่จะรับเอาไว้มันหนักใจกว่านี่เลยรับความลําบากลาบนในการปฏิบัติมาก่อนจะมาสอหมู่สอนเพื่อนนี่มันรอดตายมาหลายครั้งเหมือนกันหรือติต ใ, ใ, ใจนี่มอบไว้กับความเพียรนั่นแหละตายไม่แบบแบบไม่มีป่าช้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติไม่วงพอแม่ก็อยู่บ้านไม่ว่างไงครูอาจารย์ท่านก็อยู่วัด หมู่เพื่อนก็ตังองค์ตังอยู่ท่านองค์องไหนต้องก็ไปเป็นแบบของท่านใช่ว่าใครมีป่าชาติที่ไหนป่าชาติอยู่กับกับความตายเท่านั้นทําไมทําอย่างนั้นนั้นไม่ได้การปฏิบัติธรรมะสำหรับผู้อยากเป็นอย่างนั้นเมื่อเราปฏิบัติมาด้วยความเป็นผู้อยากการปฏิบัติของปฏิบัติแบบหยาบหยาถ้ามันพอกันอย่างนั้นมันไม่พอแล้วเราจะหาธรรมะที่ละเอียดมาจากไหนมาสอนหมู่เพื่อนก็ต้องเอาแบบหแบบแบบยาบหยาออกมาสอนเราเคยดัดแปลงตัวเองเราอย่างไร เคยฝึกฝนทำมานตัวเยังไงก็จะต้องนําเรื่องอย่างนั้นามาเนี่ยแสดงว่าเราปฏิบัติมาอย่างหยาบเราก็ต้องสอนหมู่เพื่อนอย่างหยาบเนี่ยว่าว่ามาหยาบหยาบมันมันมีของดียิ่งกว่านั้นนเวลาเห็นผลก็เห็นผลจากการทําดับหยาบนั่นแหละมันจะขีดจะ ก, กัดตัวเองกิ น, น, นแต่ถ้าไม่ต้องกําหนดกฎหมายมันที่ไหนตายไปที่นั้นเป็นป่าช้า ยังมีชีวิตอยู่ขอให้ได้บำเพ็ญเต็มกําลังความสามารถเราอย่าให้เสียหวังในการปฏิบัติของเราก็แล้วกันในปฏิบัติอยู่ทุกเระะื่อเป็นกับตายทุกกับลําบากอะไรก็ให้ปฏิบัติในปฏิบัติอย่างนี้เป็นที่พอใจอเมื่อไปอย่างนั้นที่เรศมันหน้ายิ่งกว่าแผนดินนี้มันก็ทะลุไปครมันจะทนต่อปัญญาไม่ไน่ะทนต่อความเพียรความเพียรเป็นสิ่งสําคัญมากเวลามันไหลมัน มันได้ตอนจนกรอกนะทุกมันกุ่มลุ่ ม, มดการมันรู้จิ้มไหนวะมันจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่มเวลามันคุก ม, มาพอพลหมดทั้งร่างเลยเหมือนกับไฟทั้งกองถึงเถาลงไปเพราะความหักโหมมันเอาจิมันก็หมุนติ้วอยู่ภายในไม่ให้มันออกไม่ต้องออกจากที่นี่สัตจะทําอยู่ที่นี่อาตายก็ให้รู้กันที่นี่อะไรมันตายเนี่ย ธาตุสี่ดินน้าลมไฟมันตายจริงเหรอพิจารณาไปมองดูดินให้มันชัดด้วยปัญญาสลายลงไปมันก็เป็นดินน้ําก็ไปเป็นน้ําเมื่อสลายกันออกไปแล้วลมเป็นลมไฟมันไฟอะไรมันตายมันกลัวตายอะไรมันตายมันกลัวของไม่มีนี่ทางนั้นมันโกหกตัวเองจิตมันก็ไม่ตายเมื่ออยากธาอยากขันออกมาชัดเจนแล้วความรู้นี้ยิ่งเด่นความรู้มันไม่ตายมันกลัวอะไรเดี๋ยวนี้กลัวตายน่ะเนี่จนถึงเห็นจนเห็นชัดเรื่องว่าไม่ไม่มีอะไรตาย ดินไม่น่านลมไฟไม่ตายจิตก็ไม่ตายแล้วกูอะไรนี่เวลาจิตมันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปในกองทุกข์นี่แหละกลองทุกข์เนี่ยเป็นหินรับปัญญาชจนมันเห็นทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึ่งอย่างชัดเจนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทุกขังอันเดียวสัจจังมันจริงจริ ง, ร ง, รงไม่แสดงตัวเป็นฆาตศึกต่อใครนอกจากผู้ไปเกี่ยวข้องโดยความหล ง, งตัวนั่นแหละนั่นแหละนำเอาฆาตศึกมาสู่ตัวเองการเป็นทุกข์เป็นมาเพาะลมพายุจิตใจนั่นนี่ภู้นี่เป็น เป็นผู้ผิดต่างหากทุกขังเรียกจังไม่ผิดมันผิดผู้นี้ผู้หลงไปตามนี้ที่ผิดเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปหวานล้อมเข้าไปหวานล้อมเข้าไปจนเห็นชัดด้วยปัญญาในขั้นใดแล้วอ่าวทุกขันนั้นดับไปเพราะสมุทัยขันนั้นหมดปัญหานี่งยังเข้าไปยังเข้าไปจนได้เห็นครับทั้งฐานนอกฐานในเป็นสัจจะเสมอกันหมดทั่วโลกไม่มีจะควรตําหนิ สภาพใดไม่ควรจะชมสภาพใดเพราะเป็นหลักความจริงเส ม, มอกันนะไม่ว่าทางนอกหรือว่าทางในท่นเป็นสัจจะเส ม, มอการเห็นชัดแล้วหมดการตำหนิกันแต่มาตำหนิจิตมันจะหาที่ตำหนิไม่ได้จิตก็รู่ตัวเอ็นตัวเหมือนกั น, นแต่ก่อนจิตหลงประหารตำห น, นิสิ่งอื่นเวลาจิตลู่สิ่งอื่นตามหลักความจริงแล้วกอย้อนมารู้ตัวเองไม่มีทางที่จะตำหนิตัวเองได้ด้วยนะเมื่อตงัง ธรรมชาตินี่รู้สึกตัวเองแล้วมันก็หมดทางสำนึกทั้งภายนอกภายในนั่นแหละเป็นสุกัสโตอยู่ก็สุกัสโตไปก็สุกัสโตอยู่ที่ไหนก็สุกัสโตทั้งนั้น้าทําให้มันถึงตัวจริงก็ต้องจริงทำให้มันทำให้ันถึงแต่ของปลอมพี่นั่งอยู่มันก็พร้อมนอนอยู่ก็ร้อมทําความเพียรอยู่ก็ร้อมหรือว่างไงก็จิตมันปลอมอยู่นั่นแหะ ตัวมันปลอมไม่เนี่ยละตัวเองเดินจงกวมก็เดินไปงั้นไม่มีสติสตังนั่งภาวนาก็นั่งหลับไปมันมีแต่ของปลอมเต็มพายในจิตแล้วจะหาของจริงมาจากที่ไหนมมันไม่เจอฮึ่มันนั่งอยู่เพรมันจริงด้วยสติจริงด้วยปัญญาจริงด้วยความเพียรอิรธิบททาไหนมันจริงอยู่ด้วยความเพียรนี้มันจะเอาอะไรมาปลอมของจริงต้อของจริงพบกันมันต้องจริงวันย่งคำฮึ่มจะว่าไงของปลอมแต่ของปลอมพบกันปลอมมันย่งคำฮึ่มตัวใหญ่มันปลอมแล้วตัวเล็กตัวน้อยปลอมไปหมดฮึ่ตจะว่าไะ วิธีมันเป็นตัวถ้าอยากจะพ้นจากโลกเรื่องเกิ ด, กดตายมันรอบด้านเลยนะมันมีแต่นักมันมีได้คะแนนเอกด้วยกันหมดโลกอันนี้มันมีใครจะยิ่งหย่อนกั น, กนเรื่องเกิดเรื่องตายถ้ยาจะเข้าใจว่าจะยิ่งจะหย่อนกว่าใครไม่มีมันเสมอกันด้านถึงไม่ได้ออกร้านขายกันขายเรื่องของทุกข์เพราะต่างคนต่างมีต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างรู้อยู่ด้วยกันเต็มกายเต็มใจนี่แหละใครจะไปสงสัยที่ตรงไหน นอกจากจะหาทางออกเตรียมออกเท่านั้นเองอ่ะเพราะรู้เต็มใจแล้วสงสัยอะไรอีกวันนี้กับวานนี้มีแตกกันอะไรก็เมืดกับแจ้งอันเดียวกันคืนนี้กับคืนหน้ากับคืนที่ผ่านมาแล้วอะไรมันแตกกันมันเรืองมืดกับแจ้งเท่านั้นโลกกับธาตุอันนี้ปีเดือนนับฟันตายวันนั่งค่ามันไม่สิ้นไม่สุดมันตายแค่ก่อนผู้รับเท่านั้นโดยที่มืดแจ้งมันยังไม่หายมันยังไม่หมดไปบวันปีเดือนยังไม่หมดผู้ถิ่นท้าันตายแค่ก่อน เราจะห ล, ลงเพลิดหลงเพลินอะไรยิล่ลสนี้ะพิญญาลงมันเห็นชัดตามหลักความจริงจะตืนเต้นอะไ ร, ย, รยังมีชีิตอยู่นี่มันก็วันนี้มีวันหน้ามันก็หมดเนี่ยสัตว์ตัวนี้มันตายวันนี้สัตว์ตัวหน้ามันก็ตายวันนั้นสัตว์ตัวนี้ตายชั่วโมงนี้สัตว์ตัวนั้นตายชั่วโมงนั้นใครจะมีอายุกี่ปีกี่เดือนกี่พันกี่หมื่นปีก็าตามเถิดมันก็หมื่นปีเท่ากับมือกับแท้าเพื่อ ถึงมันตายพอนั้นไม่พอไม่มีอะไรที่จะตอบไนะพิจารณาเห็นมันถึงหลักมันแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นของแปลกผู้มีอายุยืนกับผู้อายุสั้นตอดิบนี่มามายต้องทำมันละเอียดนะมันมั น, มนเป็นบ่อยของความทุกเหมือนกันเกิดกับตาไมันจะไม่เป็นทุกข์หรไกมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นพิจารณาใครจะรําพิจารณาอย่างนี้อให้มันถึงใจทันนักปฏิบัติ เพื่อจะยกตัวให้พ้นยาทําอ่อนแอใจไม่อ่อนถ้าไม่ทําให้อ่อนใจไม่มีไม่มีความสามารถถ้าไม่ทําให้ให้มีความสามารถใจจะหาความฉลาดไม่ได้ถ้ามาหาความฉลาดให้ใจ<ม>ใจไม่หายโงูถ้าไม่แก้ความงูอย่าเข้าใจว่าจะหายโง่ทุกข์เต็มใจทําไม่แก้เราจะยอมให้ใครแก้ให้เรามอบให้ใครแก้ให้เราไม่มีใครแก้ นักก็เราต้องแบกบจะหนั ก, กเท่าไหรเราก็ต้องยอมแบกของเราคนเดียวจนทั่งถึงจุดหมายที่จะตรงอ่ะเราถึงจะปรงเราหลงของเราได้เพราะหนูจะมาตรงให้เราไม่ได้นั่นเห็นพิจนาราอย่างนี้นการพิจนารณาเราได้เห็นจริงอย่างนัน้นด้วยการปฏิบัติจริงอย่างนั้นแล้วโคูดออกมามันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงจิตถึงใจอาถารพ์ไม่กลัวต้อง ว่าใครจะมาคัดค้านรักความจริงเห็นอยู่ประจักษ์อยู่กับใจอือือจู่ในเงื้อมือใครจะว่าไม่มียังไงนี่แแบออกภาพมันเห็นเลยตะวังคนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นอยู่ประจักษ์ใจของเราใครจะหลงเต็มแผ่นดินก็าตามแล้วมันไม่หลงก็รู้อยู่เขาจะว่ามากเราไม่ได้มากเราก็รู้ตัวของเราไปตื่นเต้นแล้วกับใครเขาว่ามากหรอนอั่นอยู่ในปากเขาอยู่ในความคิดของเขาคิดขึ้นมาพับคิดเรื่องบ้ามันก็พูดออกมาเรื่องบ้ามันก็หนับไปในปากในรินของเขา ในใจของเขาเราไม่เป็นอะไรหนึ่งนั่นต้องบอกผิดมันพอถ้าเสนมาเขาเสนเสนอยู่ป่าของเขาเรื่อมสายก็เลื่อมสาในใจของเขาน่งเพราะว่าเราดีถ้าเราไม่ดีว่าให้ดีวันนั่งข้ามันก็ไม่ดีเขาตีเราชั่วถ้าเราไม่ชั่ววันนั่ง่ํามันก็ไม่ชั่วติก็ติอนไรส็ตีนั่นความเพียงพอของใจเดือนนั้นถ้ามันไม่พออะไรมันเอื้อมมาหมดเขาด่าก็โกรธเขานินทาก็เครียดเขาจะเสนอก็ดีใจเนี่ยมันไม่พอทั้งดีทั้งชั่ว ไม่ได้พอทัานั้นแ่ะเมืองพอในจิตไม่มีถ้าไม่เอาธรรมะสอดเข้าไปให้ได้รับรสชาติมันปล่อยสิ่งนั้นไม่ไดพระพุทธเจ้ารักษาว่าท่านพออาหารคือธรรมะต้องปล่อยหมดเพราะธรรมะเป็นโอชารสที่สูงยิ่งกว่ารสใดๆไม่เช่นนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยบางรสชาติที่เคยผ่านมาและเคยฝังใจมาเป็นแรงงานได้ การปฏิบัติงานมันมีทางที่เด็ปฏิบัติมาปฏิบัติมาอย่างนี้มันเลยนำอะไรมาโกหกหูก่วนทํามาแทรล้อมแทรกซรเหมือนกับผีเร่งอญาติเนี่ยในนึกเหมว่มาจะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนจะมีหูเพื่อนมาเกี่ยวข้องไม่เคยนึกเคยฝันจริงๆเพราะความสนใจในตัวเองมันมีจํานวนมากไม่เคยสนใจกับใครทั้งนั้นแต่บ้านในเมืองใดถ้ามีคนมาเกี่ยวข้อง ม, มากในระยะที่กําลัง มีความสนใจอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างเต็มใจนั่นไม่อยู่หาวบายปิดหนีจนได้จะอยู่ให้กับความให้เสียหายยากที่คนมีความยินดีต่อกันของอนาณาธนานบนที่อยู่เขายู่กันแต่ก็ทําความมั่นใจไว้แล้วว่าที่นี่เราจะอยู่ไม่ได้นี่แต่ทําความมั่นใจที่จะหนีไปเท่านั้นแต่พอรักษ า, า, าไม่ยากไมครัเท่าที่ควร ี่ไหนคนไม่เกี่ยวข้องพอได้ยังชีวิตให้เป็นไปอย่างนั้นหนึ่งๆจากเข า, านั่นแหละเป็นที่เหมาะสมและพอใจที่สุดมองดูจิตใจในสถานที่ไปอยู่อย่างแช่นแช่นกันดารอย่างนั้นก็มองดูจิตใจในสถานที่เหลือเกอนมันไปคนโลกถ้าขันมันสมบูรณ์แต่จิตใจมันเหี่ยวแห้ง ปรติฐานที่ถาดขันมันเหมือนอย่างจิตใจมันชุ่มฉืดเบิก บ, บานรับตื่นสะดวกสบายยิ่งแยง้งแจ่มใสเนี่ยมันถือเป็นงินมันได้มาด้วยความทุกข์ความลำบาที่สายวาสนาของเรามันยากถ้าไปอยู่ในที่สมบูรณ์ที่เหลือเฟือลรามันไม่เป็นท่าอะไรเหมือนหมูนอนขึ้นพอจะขึ้นเสียงอยู่นั่นแหละอืท่าไปอยู่ที่ทั้งกันด้าานอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างบีบบังคับอยู่ในตัวเรา จิดมันเป็นอีกแบบมันเด็ดตัวขึ้นทับพับทอบทับทเวลามาสอนหมู่เพื่อนมันก็จะไปแบบนั้นแหละถ้าเห็นอะไรเหลือเฟือขึ้นมากก็กลัวที่ามหมู่เพื่อนจะหลงจะเผลอหรือไไะไรแล้วทำความนอนจิด น, นอนใจซะจนส่วนนี้ได้ส่วนส่วนที่เยี่ยมมันเสีย ม, มันต้องไลยคิดย้อนหน้าย้อนหลังทุกสิ่งทุกอย่าง าบางรายไม่เข้าใจจริงๆวิธีปฏิบัติต่อตัวเองไม่เข้าใจจริงๆไม่เคยสังเกตดูธาตุขันเป็นยังไจงจิตใจเป็นยังไงูุตุสปายะดินผ้าอากาศว่าสบายตามหลักธรรมคำว่าไว้มันสบายยังไงมั้อาหารสัพพายะอาหารเป็นที่สมายกับท่านเราอาหารอย่างไรบ้างมันสบายอทุกขลาสัพพายะบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราหม้เพื่อนเราเป็นที่สบายสบายยังไงบ้างฉันไม่เหไง คือการสังเกตหากเราเป็นนักสังเกตต้องรู้อาหารชนใดนะ่ะขัดข้องกับาธาตุรู้ทันทีอินทรีอากาศเป็นไงเราอยู่กับานที่มีเป็นไนรู้บุคคลที่เกี่ยวค่อยๆจะมาพบกันพอที่จะพบกันไปได้นานหรือไม่เป็นกา ร, รยานวิ่กันได้จริงหรือไม่มันรู้อืการปฏิบัติตัวต้องสังเกตอย่างนั้น อะไมาขัดข้องกันลูนี่เราก็ต้องพยายามแก้ไขสิ่งที่ขัดข้อง ม, มันก็ค่อยสะดวกไปสะดวกไปคิดก็ค่อยละเอียดไปลียดไปน้ำเป็นนะนี่เวลม า, า น, นี่เวลามาสอนหมูกเพื่อนรู้สึกจะเอานิสัยนั่นมาสอนพผดผงโป่งป้างผงผางอะไรเงีง้ยเราฝึกเรายิ่งเก่นกว่าที่มาสอนหมูกเพื่อนนี่นี่ยังพอประมาณนะเราฝึกเรา บังคับด้วยเอาต้องอย่างนั้นนะถ้ะามายะเถินอย่างนี้ไปไม่ได้ขีดเส้นตายให้เลยถึงเวลาที่จะควรขีดขดให้หนเลยเอาตายก็ให้ตายอยู่ในวงนี้จะเลยเถิด น, นี้ไปไม่ได้เสียฐัาสตร์เล่าให้ตายจะดีกว่าดีจวเป็นคนโ ป, หก โ, ปหกโลกโหกโตัวเองอยู่เลยมันหนักแผ่นดินนั่นือที่สอนโดยเอาให้จริงเอาเวลาหน่วยเอาอะไรขาดต้องขาด นั่งมันจะตายจริงเอาให้รู้อะไรตายก่อนตายหลังอืมปวดเคท้งปวดขาดในเวลานั่งเอ้าอันไหนโอ่องไหนไม่ไม่มั่นคงเอาขาดออกไปคําสั่์นี้จะไม่ยอมไม่ขาดเอาชี้สั่งจะข า, ขาดขาดเอาไปคําสั่์นี้ไม่ยอมให้ขาดถ้าไม่ถึงเวลาที่ได้กําหนดไว้เป็นอันว่าตายก็ต้องยอมอะไรตายก็ตายอะไรขาดขาดไปแต่คําสั่์จะไม่ยอม ทนี้เวลาจิตมันไม่มีทางออกทางเข้ามีแต่เครื่องบังคับมันเต็มตัวนั่นนั่นแหละจิตจนกรอกที่มันก็หมุนตัวก็ไปที่ข้างนอ ก, กํามันส่งออกไปนอกจต่บังคับในเรื่องเวลากดถี่กันไว้อย่างนั้นแล้วยังบังคับด้านจิตใจมันจะส่งไปทางไหนเวลานี้เป็นเวลาทาความเขียนศาสนาปเป็นศาสนาไทยอย่างยิ่งแล้วจะถอนออกไปข้างนอกได้เมื่อไหร่จะถอนออกไปไม่ได้จะสง่งออกไปเรื่อยๆร่อนไม่ได้ออาบังคับก็ต้องบังคับกันให้หมดจริงจะว่าเป็นบังคับเพื่อความเขียน นั่นสีเวลาทําอย่างนั้นจริงๆมันจนกรอกนี่คิดปัญญาหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปบังคั บ, ข บ, บขเข้าไปบังคับเข้าไปเข้าช่องแคบมันก็ได้ความไปบ้างนั่ น, น, นได้ความรู้ในเวลาจนกรอกสัตจเกจา ก, กินขึ้นมาเวลาจนกรอกนั่นทุกขังเราเคยผ่านมาเท่าไหร่เคยทุกมาเท่าไหร่มาจริงเอาเวลานั้นสมมุทยมันเป็นมายังไงมาจริงกันในวันนั้นมาเป็นยังไงข้อปฏิบัติเห็นคุณในสงอย่างไรบ้างหรือไม่วันนี้เห็นชัดกันในวันนั้นทุกดับไปในขณะใด ทรบาบธาตุวันนิโรธคืออันนี้เองนะ่างอันก็ต่างจริงขึ้นม า, าแสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่จากความเพียรที่วะเอาขีดเส้นตายจะได้ น, นะขิดไม่ตายจะได้ขึ้นกลับเกิดเห็นคุณขึ้นมาอย่างเต็มที่ในครามตัดทั้งหมดต้องลําบากบ้า ง, งขึ้นค้าวจะลําบากลําบา ก, บากแต่ไม่ใช่ว่ามันจะลําบากตลอดไปเหมือนกับเราเดินทาง ที่ขุกขักมันก็ขูกขักลําบากที่จริงก็มีแต่มันก็ผ่านไปผ่านไปขึ้นความสะดวกดวก็สะดวกไปเรื่ อ, อยๆจนมันถึงขัน้นมันเป็นอัตโน ม, มัติภายในตัวแล้วนั่นเราไม่ต้องพูดถ้อยู่เอียบดไหนก็อยู่เถอะจะเป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นเป็นอันาจมันเป็นไปไม่ได้ลนะนอกจากจะมุนธรรมจักรอยู่ภายในตัว กระแสของจิดคิดออกง่ายใดเป็นแต่เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องกอดเรื่องขอนตัวเองตั้งนั้นเป็นเรื่องที่จะให้รู้เรื่องของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนและตนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอะไรบ้างดีหรือชั่วผิดหรือถูกยังไงนี่เลยจะให้ลูกมันอยเหงะพยายามแก้ไขถอนกันอยึ่งวันนี้แก้อะไรวันนี้วันนั้นแก้อะไรวันนั้นมันรู้กันครับครครับส่วนในที่ที่ถอนได้แล้วอย่างเด็กขาดมันก็รู้ส่วนได้ที่ยัง ผู้ิตผู้ิตกันก็รู้นะครับตามมาจนได้ผนเห็นขึ้นมาทุกวันทุกวันจากความเพียนมันจะมีความขยับตัวอยู่อย่างนี้นิ่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปถอดออกมาบรรเลงบรรเลงถอดมาบรรเลงบรรเลงถอดขึ้นมาบรรเลกบรรเลงถอนขึ้นมาบรรเลงน้อยรวมเพรามันก็เป็นเรื่องใหญ่สิ่งใดที่ยังเหลืออยู่ปัญญาสอดเข้าไปถอนไปขุดขึ้นไปค้นขึ้นมาเอามาตากแดดเผาไฟให้หมด จนกระทั่งทงิงหลกแกวหลักปล่อยต้นรั้มมันไม่เหลือเขาถือกองเพลิงให้หมดไม่มีอะไรเหลือนี่กองเพลิงคือตัปปะธรรมความแผดเผาที่เลยจนไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจแล้วนั่นแหละเรียนโลกจบเรียนทำจบไม่สงสัยทั้งโลกไม่สงสัยทั้งธรรมไม่สงสัยทั้งภายนอกไม่สงสัยทั้งภายในยไม่สงสัยทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกทุกสิ่งทุกอย่างหมดความสงสัยนั่นแหละท่านบอกโลกก็มีถู รู้แจ้งโลกแต่รู้แจ้งที่ไหนไม่หมายที่ว่าไปนับเม็ดหินเนี่ยตายที่ไหนรู้แจ้งโรโลกมันอยู่ในใจตัวเองทำก็อยู่ในใจเรียนโลกโดยตลอดทั่วถึงก็เป็นอันวา่าเรียนทำโดยตลอดทั่วถึงรู้โลกตลอดทั่วถึงก็รู้ทำตลอดทั่วถึงฮะฮะฮะโลกก็มีทูนีหมายอย่างนั้นธรรมะปากรู้แจ้งโลก ค, คือโลกในหัวใจเราเอง นโลกวิถีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพุท ธ, ธีสาย ย, ายกให้เราวิถีของแต่ละรายรายตามหลักที่สายตาเองที่บำเพ็ญไปจะให้รู้แจ้งแทงตลอดทา ย, ทายใจให้ตนพูดิย่างคือรู้แจ้งแทงตลอดใน้บอกเลยบอกทางตัวเองว่านี่เป็นโลกวิถีนี่คมันก็หมดสิตื่นเต้นกันมาไรเป ต, ตาก็เห็นด่นี่สงสัยอะไร มีอะไรโลกนี้เกิดก็ตายเรื่อเลืงอนๆกันไปวันหนึ่งขณะหนึ่งช่วนงานหนึ่งหายไปหายไปหามาแล้วมันก็ตกไปตกไปเพราะไม่ใช่เป็นของจริงมันจะตกข้างอยู่ได้ไหมันของปลอมๆแฝงๆถูกก็แฝงขึ้นมาแล้วหายไปทุกก็แฝงขึ้นมาแล้วหายไปอย่มันคว้าแต่เงามันไม่ได้เอาตัวมันคือเอาตัวมันแล้วมันไม่หายไปไหนว่าไงเอาตัวจริงคือตัวคนหลงผู้หลงก็คืออะไรย้อนกระป๋าผู้หลงมันก็รู้ขึ้นมานั่นเป็นตัวจริง ไม่มีจืดไม่มีจางมันมีเครือบไม่มีแสงไม่มีปลอมแปลงกินตลอดวันนั่งคาคุยนั่งรุ่มเดี๋ยวอาการลิโกไม่มีวนันปลอมแปลงเดีกินหนึ่นั่นแหละรกรินเราก็มีถูกปลึกเป็นเรื่องพูดเรื่องกันเองมันปฏิบัติมาอย่างนี้น ความเพนตัวนี้ทรมานตัวทำอย่างนั้นจริงๆเวลาไปที่ไหนมาที่ไหนเห็นการประอกอบความเตรียมของหมูของเพื่อนนี้ภายนอกภายในเมางดู แ, แล้วมันเราก็มาเทียบเทียงกับเราของเราบางทีมันก็รู้สึกไม่สะดวกใจเหมือนกันแต่ตัวความสบายสำหรับเราเราก็แยกได้โอ้โลกอันนี้มันโลค ก, กี่ป้าฐานีนาจะเ ห, เหมือนกันทุกอย่างได้เลยทีเดียวนั้นหายเลย <c oughs> คนก็ต้องมีคนดีคนชั่วเนีมีคนโง่คนฉนะแล้วสิมีคนเกียดคร้านอยู่คนขยันแล้วสิ่ะแตโลกแต่ฟังแตโลกมันสิ่งผสมผสมกันกันเท่าไหร่แลเรครับมันก็ยังมีผสมผสมกันมันไม่เหมือนกันหมดทับสนปนเปกันไปนั่นแ่ะคนจะนั่นเหมือนกันได้ไหมเพียงข้ามสายไปที่มันย้ำแล้วย้ำเล่าก่ย้ำเหล่าก่อนื่องจับ ลูกของเราสิเราก็จะให้มันดีว่าไงดุถ่านนี้ด่าท่านนั้นนีึงดุช่องนั้นด่าช่องนี้อย่างนั้นเอาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนมองเห็นเวลาไนเวลาใดเอาแล้วขวางซามาแล้วคืพูดในาย้าตรงมืออุมาตรงนี้ว่านี่ถ้าเขาต่อเขาต่อทนะี่นั่นปิดมั่งตรงนี้ถ้ากำลังอะไรใส่ก็ถามบีนึงี่มันเถือตรงนี้มันเปิดช่องว่างไว้ออื้ันเหมือนอย่างพวก ครูมวยเขสอนนักมวยเขาสอนนะะว่าจะเปิดอกหรือจะเปิดคางเขาบอกถ้าบอกหลายครั้งไม่ยังไม่จําเขาใสา่ปังนี่อยนะ่าเปิดตรงนี้เพราะว่าเนาะอย่าเปิดตรงนั้นนะเดี๋ยวถูกเขาเตะมันยังเผอตัวอยู่ปากก้าไปอย่าเปิดตรงนี้เขาเตะแล้ว น, นะมอกอย่าเปิดตรงนั้นคือเป็นนิสัยที่ชอบนะเปิดข้างไหนบ่อยนะเขาครูครูเขาเตือนอย่าเปิดตรงนั้นบ่อยนะ ผู้ที่ชคกับครูอ่าชคไปจะมากระเพยอีกแล้วครูกะ ส, สายถ้าตางนี่อย่าเปิดตรงนี้นั่นเพราะว่าข้ครูเตะไม่เป็นไรครูต่อยไม่เป็นไรไม่เหมือนคูตตนค่ต่อสู้ต่อยกันคู่ต่อสู้ต่อยกันแล้วมันตายไม่ตายก็ถามหลวงเป็นยสร็ไปแต่ครูไม่เป็นไรนั่นดูสิอันนี้ก็เหมือนกันมองเห็นมัขวางทางคงไหนก็บอกแล้วขว า, างตาไหนก็บอกไอ้กิเลสมันไปมันสายเราไม่ได้บอกนะอื ครูอาจารย์เป็นฝ่ายธรรมะท่านบอกองนี้เผลอตรงนี้ใส่ตรงนั้นเตือนองนั้นถ้าคิดเด็ดมันใส่องนั้นมันไม่รู้เลยหละมันใส่แล้วมันหายไปไหนมันรู้เหะอืมเรานอนชักอยู่แล้วมันตีแล้วมันลุกข้าไปไหนท่าคิดเด็มันใส่เราเด่นนั้นแต่ครูอาจารย์ใส่ยังเปนก็เหมือนอย่างครูมวยเขาสอนนักัวยนั่นแหละเจ็บบ้างกับเพราะพรทนไม่เหมือนอย่างคู่ต่อสู้ เกิดตายมีราคาให้เป็นประโยชน์เกิดมาทั้งมีราคามันจะตายกัทำไ้ราคาไมีเสียโอ้แต่ความสะดวกใจก็มาว่าไม่เคยเทียเพียงดูเหตุดูผลมันได้ผลอะไรมั่งเอาตามความสะดวกใจได้อะไรมั่งตามความสะดวกภาพทันได้อะไรมั่ง ต้องเทียบเือนี่ถูกนะปิดะปิดนะบแล้ว